สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนัฐทกรคนชอบเล่ากลับมาพบกับท่านผู้ฟังกันแล้วนะครับวันนี้ผมนึกขึ้นได้ว่าเคยอ่านหนังสือตำนานของผีหรือว่าปีศาจของญี่ปุ่นอยู่เล่มหนึ่งครับนานมาแล้วครับก็เลยจะหยิบยกสักหนึ่งเรื่องมาเล่าให้ได้ฟังกันครับเพราะบางครั้งเรื่องที่น่ากลัวก็อาจจะมีประโยชน์มีสาระให้กับทุกท่านที่ได้ฟังนะครับ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับณประเทศญี่ปุ่นมีนักบวชเซนอยู่รูปหนึ่งมีนามว่ามุสไซโคคุชิซึ่งต้องมีภารกิจเดินทางไปจังหวัดมิโนในสมัยนั้นการเดินทางจะไปไหนไกลๆนี่ลาบากครับต้องฝ่าดงป่าป่าข้ามภูเขารูกแล้วลูกเล่ากว่าจะไปถึงจุดหมายและก็รวมถึงภารกิจครั้งนี้เช่นกัน นักบวชมุสัยได้เดินทางไปเพียงลําพั ง, พงเดินทางรอนแรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าเขตภูเขาลูกหนึ่งก็เกิดหลงทางเดินวนอยู่นานเดินไปเรื่อยๆเดินวนไปเดินมาจนเหนื่อยจนท้อฟ้าก็ใกล้จะมืดอากาศก็เริ่มจะดูเค้าว่าจะมีฝนฟ้ามาทำไม่เหนื่อยมากระหว่างที่กําลังรู้สึกท้อใจอยู่นั้นสายตาก็เหลือไปเห็นศาลาหลังหนึ่งเล็กๆ อยู่ไม่ไกลาจากที่ตัวเองยืนอยู่นักบุนเนินเขาใกล้ๆจึงได้รีบเดินตรงเข้าไปที่ศาลานั้นเมื่อไปถึงศาลานั้นก็พบพระแก่อยู่รูปหนึ่งนั่งอยู่ก่อนหน้าแล้วจึงได้เอ่ยปากขอพักอาศัยขอพักเอาแรงสักหนึ่งคืนที่ศาลานี้กับพระแก่รูปนั้นหลวงตาครับกระผมได้เดินทางหลงป่าหลงเขามาแสนไกลใครจะขอพักที่นี่สักหนึ่งคืนจะได้ไหมขอรับ หลวงตาได้ฟังก็หันมาบอกว่าโอ้นักบวชเอ้ยที่นี่มันไม่เหมาะกับที่ท่านจะมาพักอาศัยหลอกคือเนี่ยท่านจงเดินลงเขาลงไปตรงเนี่ยจะมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งที่นั่นน่ะเขาจะต้อนรับท่านอย่างดีท่านจงไปตามที่เราบอกเถิดเมื่อได้ฟังคําตอบจากหลวงตาแล้วนักบวชมุสัยจึงได้เดินทางลงเขาไปตามที่หลวงตาได้บอกไว้ และก็ไม่ผิดอย่างที่หลวงตาได้บอกไว้จริงๆข้างล่างนั้นมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งมีไม่กี่หลังคาเรือนประมาณ10ถึง20หลังคาเรือนดูแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ร่มเย็นน่าอยู่อาศัยอืมท่าทางจะมีญาติโยมผู้ใจดีอย่างที่หลวงตาว่าจริงๆเนี่ยแหละคิดได้อย่างนั้นนักบวชมุสัจึงได้เดินทางเข้าไปที่หมู่บ้านนั้นทันทีเมื่อเข้าไปถึงในหมู่บ้าน าชาวบ้านก็ออกมาต้อนรับท่านนักบวชมุสัยเป็นอย่างดีโดยหนึ่งในขบวนที่ต้อนรับนั้นก็มีหนุ่มผู้หนึ่งร่างกายแข็งแรงดูดีเหมือนจะเป็นผู้นําของหมู่บ้านนี้เป็นคนนำพานักบวชมุสัไปสู่ที่พักโดยเขานำพานักบวชมุสัเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่ห้องหนึ่งภายในห้องโถงนั้นมีชาวบ้านประมาณ 40-50 ถึงกว่าคนนั่งอยู่เหมือนจะมีงานพิธีอะไรสักอย่างใช่แล้วครับในห้องนั้นมีการทาพิธีศพอยู่ อันจะเห็นได้จากมีโลงศพอยู่หนึ่งโลงตั้งอยู่แล้วก็มีเครื่องเส้นต่างๆวางอยู่ผู้คนมากมายก็คงจะมาร่วมงานศพครั้งนี้แหละกระมังหนุ่มคนนั้นได้พานักบวชมุสซเดินไปที่ห้องข้างๆซึ่งเล็กกว่าห้องนี้ให้พักอยู่ที่ห้องนี้จัดหาพัตตาหารมาให้ฉันเรียบร้อยน้ำดื่มน้ำท่าเรียบร้อยนักบวชมุไซเมื่อจัดการฉันพัตาหารเรียบร้อยแล้ว จึงได้ขอตัวเข้านอนเลยเนื่องจากความเพลียเพราะการเดินทางหลงป่ามาทั้งวันดึกดื่นคืนนั้นประมาณก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยนักบวชมุสัยก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อมีการปลุกจากเสียงเสียงหนึ่งท่านนักบวชครับท่านนักบวชครับได้โปลดตื่นเถอะครับจำผมได้ไหมครับผมคือคนที่ต้อนรับท่านนักบวชลืมตาขึ้นมามองและกล่าวว่า อ๋ออัตมาจําได้โยมเองหรือมีอะไรล่ะชายหนุ่มนั้นจึงตอบว่าคือตอนที่ผมออกไปต้อนรับท่านนะครับท่านเห็นไหมครับที่มีพิธีการนั่นคืองานศพของบิดาของผมเองครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบัตรเนี้ยตัวผมก็กลายเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แล้วครับแต่โดยธรรมเนียมของงานศพของหมู่บ้านเรานี้ในคืนเนี้ยจะต้องไม่มีใครอยู่ภายในหมู่บ้านเลยครับจะต้องออกไปนอนค้างที่หมู่บ้านอื่น ผมจึงขอเรียนเชิญท่านนักบวชให้ออกไปพร้อมผมในคืนนี้ครับนักบวชได้ฟังก็สงสัยอืมทําไมถึงอยู่ไม่ได้ล่ะโยมมันมีอะไรหรือชายหลุมก็ตอบว่ามันเป็นเรื่องของความน่ากลัวครับคืนนี้จะมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นกับศพครับแต่ถ้าหากท่านไม่กลัวท่านจะอยู่ก็ได้นะครับนักบวชได้ฟังก็บอกว่าอืมที่จริงเราเองเป็นนักบวชนะเราไม่กลัวหรอกครับ เรื่องผีเรื่องสางนะ่งานนี้ก็เป็นงานศพของพ่อของโยมก็เดียวอัตมาก็จะนั่งสวดมนต์ให้เขาเลยละกันคืนนี้เมื่อชายหนุ่มเห็นว่านักบวชมุสซไม่สนใจที่จะเดินทางออกจากหมู่บ้านไปพร้อมกับเขาก็จึงได้ขอตัวลาไปนักบวชมุสัเมื่อตื่นแล้วก็รู้สึกหายเพลียล้างหน้าล้างตาแล้วเดินเข้ามาในห้องโถงใหญ่ซึ่งมีศพตั้งอยู่บรรยากาศภายในห้องช่างวังเวง เงียบกริบเพราะว่าทั้งหมู่บ้านนี้ไม่เหลือใครอยู่เลยนักบวชมุสัยจึงได้นั่งลงสวดบางสกุลให้กับผู้ตายหลังจากสวดจบก็ได้นั่งสมาธิต่อเพื่อแผ่เมตตาต่อไปนั่งไปนานเท่าไหร่ีอาจทราบได้เสียงจักระจันเลไรเริ่มเงียบสนิทเหลือแต่ความเงียบนิ่งเงียบจริงๆฉับพลัน ก็ดีนเสียงดังเกิดขึ้นโครมครามมาทางประตูท่านนักบวชก็ได้จะนั่งเฉยๆและก็ลืมตาหลีตาดูนิดหนึ่งเพื่ออยากรู้ว่าเสียงดังโครมคัานมันคืออะไรภาพที่เห็นอยู่นั่นก็คือมีอะไรก็ตามที่รูปร่างคล้ายๆคนตัวดำใหญ่มากเดินมาจากความมืดตรงหน้าประตูที่มันพึ่งพังเข้ามาเดินมาทางลงศพ ย่างสามขุมเข้ามาหาเรื่อยๆท่านนักบวชก็ได้แต่นั่งมองอยู่เฉยๆเพราะสิ่งที่เข้ามานั้นทั้งตัวใหญ่ทั้งน่ากลัวแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่สนใจหันมามองทางท่านนักบวชเลยเดินตรงไปที่โลงศพเปิดฝาโหลขึ้นมาเสียงดังลั่นพร้อมกันนั้นก็ใช้มืออันใหญ่ยาวของมันช้อนศพขึ้นมาแล้วก็อ้าปากกว้าง กลืนศพลงไปตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้าค่อยๆ ย, ยัดลงไปอย่างน่ากลัวยิ่งนักเมื่อกลืนศพไปจนหมดตัวแล้วจึงหันมาจัดการกับเครื่องเส้นต่างๆอากัปกิริยาระหว่างการกินของมันนั้นดูตะกระมุมมามเหมือนยังไม่เคยกินมาก่อนเลยเมื่อเสร็จกิจแล้วเจ้าปีศาจตัวใหญ่นั้นก็ลุกเดินจากไปทางที่มันเข้ามานั่นเองรุ่งอรุณเช้าวันใหม่ ทุกคนที่แ ย, ก ย, ก, ยกย้ายกันไปตั้งแต่เมื่อคืนก็กลับเข้ามาในหมู่บ้านเหมือนเช่นเดิมพร้อมกันนั้นหนุ่มผู้ใหญ่บ้านก็ได้ตรงมาหานักบวชมุสัยและถามความเป็นไปเมื่อคืนนี้ท่านนักบวชครับเมื่อคืนนี้ท่านเห็นอะไรบ้างครับแต่ผมอยากรู้จริงๆเลยนักบวชได้ฟังก็ได้ตอบไปตามที่เห็นเมื่อนักบวชมุสัยเล่าเรื่องที่เห็นให้ฟังแล้วชาวบ้านก็จึงได้ลงความเห็นว่า พวกเราคิดถูกแล้วที่อพยพออกไปจากหมู่บ้านเมื่อคืนนี้นักบวชมุสไซที่ฟังด้วยความสงสัยจึงได้ถามคําถามว่าทําไมโยมถึงไม่ไปนิมนต์พระที่อยู่บนเขามาสวดศพละ่ะอัตมาก็เห็นว่ามีพระอยู่หนึ่งรูปนะบนเนินเขานั่นผู้ใหญ่บ้านหนุ่มได้ฟังก็สงสัยว่าเอ๊หมู่บ้านเราไม่มีพระนะครับและบนเชิงเขาก็ไม่มีศาลาหรือพระด้วยล่ะครับต่อไป เมื่อนักบวชมุสัยได้ฟังเช่นนั้นก็ไม่อยากจะย้อนแย้งหรือเถียงอะไรทั้งสิน้นเพราะกลัวว่าเดี๋ยวชาวบ้านจะหาว่าตนเองโดนผีหลอกก็จึงได้กล่าวลาเ็จะเดินทางต่อไปเมื่อเดินทางออกจากหมู่บ้านแล้วนักบวชมุสัยจึงได้เดินย้อนขึ้นไปบนเชิงเขาเพื่อไปที่ศาลาเดิมว่าจะไปกล่าวขอบคุณหลวงตาเมื่อไปถึงเชิงเขาก็พบุบศาลากับพระแก่รูปเดิมนั่งอยู่ ขอบพระคุณหลวงตามากครับที่ทําให้ผมได้มีที่พักอาศัยจากหมู่บ้านผู้ใจดีพวกนั้นหลวงตาได้ยินก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแต่เราเนีสิเราเดี๋ยอายท่านเหลือเกินท่านนักบวชเราอายท่านจริงๆเลยนักบวชก็สงสัยและถามว่าเอ๊ะหลวงตาจะอายกระผมเพราะเรื่องอะไรหรือขอรับเกาะทีเมื่อคื น, น่ะ นักบวชเอ้ยที่ท่านเห็นนั่นก็คือรูปร่างของเรานั่นแหละตัวเราเองเราคือเปรสที่เข้าไปกินศพในงานศพนั่นเองเราคือเปรสที่เดินไปกินเครื่องเส้นตามที่ท่านได้เห็นนั่นแหละด้วยรูปรักอันน่าเกลียดน่ากลัวน่ารังเกียจแม้แต่ทัวเราเองก็ยังรับไม่ค่อยได้นั่นแหละคือร่างที่แท้จริงของเราน่าสังเวชใช่ไหมละ่ะ นักบวชมุสัยทำท่าตกใจเล็กน้อยพร้อมกับถามว่าเหตุใดท่านจึงกลายเป็นเปรตละครับโอ้ oh, อัตมากลายเป็นเปรตก็เพราะว่าสมัยที่อัตมาเป็นพระอยู่ในที่ที่มันกันดานชาวบ้านเมื่อมีใครตายก็จะมานิมนต์อัตมาไปสวดศพไป้เขาเนี่แหละอัตมาก็สวดทรงๆแบบนั่นแหละเพราะอัตมาอยากกินแต่เครื่องเส้นเห็นเครื่องเส้นอัตมาชอบ อาตมาก็สวดๆไปโดยไม่ตั้งใจจะส่งบิ่ยานให้กับผู้ตายนี่แหละและผลจากการทําอย่างนี้ทําไห้เวลาอาตมาตายอาตมาก็มาบังเกิดปเป็นเปรตไปกินศพนี่แหละไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักหมดสิ้นสักทีเออท่านช่วยปลดปล่อยอาตมาโดยการแผ่เมตตาให้อาตมาหน่อยจะได้ไหมเมื่อหลวงตากล่าวจบหลวงตาก็อันตรทานหายไปพร้อมกับศาลาหลังนั้น คงเหลือแต่นักบวชมุสัยที่นั่งอยู่เพียงลำพังหลังจากนั่งแผ่เมตตาเสร็จสิ้นนักบวชมุสัยจึงได้เดินทางต่อไปอยังจุดหมายที่ตั้งใจไว้ต่อไปเป็นไงบ้างครับหลังจากฟังเรื่องตำนานเปรตกินศพของประเทศญี่ปุ่นไปผมมีความเห็นว่ามันก็สอดคล้องเกี่ยวกับพวกคอร์รัปชั่นพวกโกงพวกแอบกินนอกกินใน ก็คงจะหนีเวรกรรมไปไม่พ้นเหมือนกับหลวงตารูปนี้หรอครับสวัสดีครับ